มาที่นี่นี่ยาป่าสุกโตไม่ใช่เรื่องยากแล้วเพราะว่าจำนวนหนทางดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากอีกทั้งผู้คนจำนวนมากนี้ก็มีรถส่วนตัวกันจะมานี่ก็ไม่ต้องนั่งรถทัวร์รถประจำทางมาก็ได้แต่ที่ยากคือว่าก็คือการมาที่นี่แล้วก็มาปฏิบัติ ด, ด้วย ปฏิบัติในที่นี้ก็หมายถึงการมาเจริญสติทางกรรมฐานแม้ว่าจะใช้เวลาแค่สามสี่วันหรือสี่ห้าวันก็เป็นเรื่องยากนะสำหรับหลายคนบางคนจะบอกว่าไม่มีเวลายังมีภาระที่ต้องดูแลลูกดูแลพ่อแม่หรือตัวเองเนี่ยก็อาจจะเจ็บป่วย สภาพไม่ค่อยดีจะมาใช้ชีวิตที่ลำบากนะในความเข้าใจของตัวเองเนี่ยที่นี่มันก็ไม่สะดวกแต่ ท, ทั้งที่หลายคนเนี่ยก็มีเวลานะแล้วก็ไม่ได้มีภาระที่บ้านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลูกหรือว่าคู่ครองแต่ก็ มีเหตุผลนะที่ทำให้รู้สึกว่าการมาที่นี่เป็นเรื่องยากอาเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าการมาปฏิบัติที่นี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อไม่อยากที่จะมาอยู่กับตัวเองนานๆเป็นวันๆ ไม่เหมือนอยู่ที่บ้านไม่เหมือนอยู่ที่ทำงานหลายคนก็รู้นะว่ามันดีนะการเจริญสติเนี่ยแต่ก็ถึงเวลาจะมาก็มีข้ออ้างมีเหตุผลหลายอย่างว่ายังมาไม่ได้แต่ลึกๆก็จะเป็นเพราะว่ายังไม่อยากมาเจ อ, อ, อความเบื่อ หรือต้องมาเผชิญหน้ากับตัวเองกับความรู้สึกต่างๆที่ประดังประเดาเข้ามาในระหว่างการปฏิบัติแต่หลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าการมาที่นี่มันเป็นเรื่องยากเพราะว่าการงานนะจะรู้สึกว่าการงานนี่มันรัดตัวบางคนจะรู้สึกว่าเนี่ยจะทิ้งงานมา อยู่ที่นี่มาภาวานาเดินไปเดินมาดูมันจะไม่มีอะไรเป็นมรรคเป็นผลหรือว่ารู้สึกรู้สึกผิดนะที่ทิ้งงานให้เพื่อนๆต้องรับภาระแทนเราหรือบางคนรู้สึกว่าเนี่ยมีงานเยอะแยะเป็นหมนเลยจะมาใช้เวลาสามสี่วัน หือ้าวันที่นี่เนี่ยมันดูปล่าประโยชน์รู้สึกผิดนะที่ต้องทิ้งงานมาอยู่ที่นี่นะแต่จริงถ้ามองว่าเนี่ยการมาที่นี่เนี่ยือการมาปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นงานอย่างหนึ่งนะหลายคนเนี่ยพอรู้สึกว่าเออนี่ก็เป็นงานอย่างหนึ่งนะมันก็ทำให้ รู้สึกเต็มใจที่จะมาพอมีคนบางประเภทที่เขาเรียกว่าเป็นพวกบ้า ง, งานนะเวอร์ก ah ้าฮอลิกเนี่ยแม้แต่จะไปเที่ยวไปสุขสนานก็ยังรู้สึกว่ารู้สึกผิดที่จะทำอย่างนั้นหรือแม้แต่จะนอนพักผ่อนบางทีก็รู้สึกผิดนะเพราะว่า ไม่ได้ทํางานโดยเพราะงานที่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นงานรักษาคนไข้งานรักษาผู้ป่วยแต่ถ้าลองมองว่าไอาการมาที่นี่เนี่ยมันก็คืองานอย่างหนึ่งเป็นแต่ว่ามันเป็นงานภายในให้างานที่เราทําที่เราทิ้งไว้นะ ที่กรุงเทพหรือที่ไหนเนี่ยมันเป็นงานภายนอกชีวิคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่งานภายนอกแต่เรามีงานภายในด้วยซึ่งมันจะช่วยเสริมให้งานภายนอกเนี่ยมันเป็นไปด้วยดีมีคุณภาพมันไม่ได้เป็นการเสียเวลาหรือมไม่ได้เป็นการทาให้งานที่เราทำเนี่ยมัน น้อยลงเลยจริงอยู่ลราต้องปลีกเวลามาทำงานภายในแต่มันก็ช่วยเสริมให้งานภายนอกดีขึ้นมันเหมือนกับคนที่เป็นช่งางตัดไม้เนี่ยมีอาชีพตัดไม้มีอาชีพเลื่อยไม้เนี่ย เขาเอาแต่เลื่อยไม้อย่างเดียวโดยที่ไม่มีเวลาหยุดมารับคมเลื่อยเลยเนี่ยก็จะพบว่ายิ่งทํายิ่งทาเนี่ยคุณภาพของงานก็น้อยก็แย่ลงเดิมเนี่ยอาจจะใช้เวลาเลื่อยไม้แต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเลื่อยได้หนึ่งต้น แต่พอเลื่อยไปเลื่อยไปมันต้องใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าจะเลื่อยได้หนึ่งต้นแล้วคนมองคคิดว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยแต่เดิมเลื่อยได้10บต้นแต่เดี๋ยวนี้เลื่อยได้แค่เจดต้นทำไมจะเลื่อยให้ได้ส0ต้นเหมือนเดิมหลายค น, นคิดว่าเนี่ยมันก็ต้องทำงานให้นานขึ้นแต่ก่อนทำา8ดชั่วโมงก็ต้องขยบหรือขยายเป็นสิบชั่วโมงเพื่อจะได้ต้นไม้ ตัดได้ต้นไม้จำนวนเท่าเดิมแต่ยิ่งทำไปทิมไปเนะี่ยปรากฏว่า10ชั่วโมงเนี่ยมันไม่พอแล้วมันต้องขยายเป็น12ชั่วโมงนะสิ่งจะได้ต้นไม้เท่าเดิมกันจะบอกว่าทำไมไม่หยุดเลื่อยไม้ล่ะทำไมไม่หยุดรับขมเลื่อยล่ะวอกเสียเวลานะก็ขนาดไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดพักเลยเนะี่ยทำ12ชั่วโมง ยังได้เท่าเดิมเลยแล้วถ้าหยุดเนี่ยมารับคมเลื่อยเนี่ยสักชั่วโมงสองชั่วโมงนี่มันก็ยิ่งทำให้ได้ต้นไม้ได้ผลงานน้อยลงอย่จริงมันตรงข้ามนะถ้าว่าเขาลองหยุดพักแล้วก็มารับคมเลื่อยก็จะพบว่าแค่แปดชั่วโมงเนี่ยก็สามารถจะเลื่อยได้ต้นไม้สิบต้นเท่าเดิม ไม่ต้องเลื่อยถึงสิบสองชั่วโมงหรือสิบสามชั่วโมงเพราะว่าคมเลื่อยเนี่ยมันบินนะถ้าลองคิดแบบนี้เนี่ยจะพบว่าการพักแล้วมารับคมเลื่อยเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเสียงานเลยมันกลับเป็นการทําให้งานได้ผลดีโดยใช้เวลาน้อยลงนยคนที่ไม่น้อยเนี่ยไม่ได้คิดแบบนี้นคิดว่าเนี่ย ถ้าจะมาเอาเวลาทำงานมาทำสมาธิมาเจริญภาวนามาเจริญสติไม่ว่าจะเป็นครึ่งชั่วโมงในหนึ่งวันหรือว่า4ี่ห้าวันในหนึ่งปีมันเป็นการเสียเวลางานที่ยังไม่ใช่นะมันกลับเป็นการเสริมให้งานที่ทำมีคุณภาพ โดยอะใช้เวลาน้อยลงก็ได้ไม่ใช่ทำมากขึ้นแต่ว่าคุณภาพงานกับแย่ลงแย่ลงแล้วคุณภาพชีวิตของคนคนทำก็แย่ลงด้วยนะไม่ใช่แค่คุณภาพงานไอน้ทองในแง่นี่นะงานภายในเนี่ยมันถึงเป็นงานที่สำคัญมากนะแม้กระทั่งสำหรับคนที่เรียกว่าบ้างงานหรือว่า เป็นคนที่มีภาระความรับผิดชอบที่เป็นการงานเยอะยจ้าไปกหะเอนกับต้นไม้นะต้นไม้ยิ่งสูงเนี่ยยิ่งจะเป็นต้องมีรากที่ลึกถ้าต้นไม้สูงแต่รากตื้นนะมันก็โค่นได้ง่ายนะเวลาเจอลมแรงๆก็โค่นลงมาได้ง่ายแต่ธรรมชาติเนี่ย ไม่ใช่เช่นนั้นนะธรรมชาติเนี่ยยิ่งต้นไม้เนี่ยลำต้นเนี่ยสูงมากเท่าไหร่เนี่ยยะลาก็ยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งลึกย่างลงไปในดินเพื่อจะได้ยึดต้นเนี่ยไม่ให้โค่นล้มง่ายงายและทำไมมีน้ำสามารถจะมอหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งใบได้ตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้แม้ว่า ถึงเวลาหน้าแรงเนี่ยจะไม่มีฝนให้พื้ล่มลุกเนี่ยนะถ้าไม่มีฝนเพราะว่าเป็นหน้าแรงหรือหน้าร้อนมันก็ตายแต่ทำไมต้นไม้หลายต้นนะหลายชนิดเนี่ยหน้าแรงหน้าร้อนก็ยังมีใบเขียวแม้ว่าจะไม่มีฝนตกลงมาเลยก็เพราะรากเขาลึกลึกจนกระทั่งอาจจะไปถึงน้ำใต้ดิน ดูดน้ำใต้ดินมาหล่อเลี้ยงต้นกิ่งใบคนที่ทำงานภายในเนี่ยจนกระทั่งจิตใจใมีความสงบมั่นคงนะหรือสามารถจะเข้าถึงความสุขภายในได้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยทำให้การทำงานเนี่ยแม้จะยากลำบากยังไงโดยพอยิ่งต้องรับผิดชอบด้วย มีตำแหน่งฐานะสูงมากเท่าไหร่นี้ที่ต้องมีฐานภายในที่ลึกรับผิดชอบสูงรับผิดชอบมากมีตำแหน่งสูงสูงแต่ว่าฐานภายในตื่นเนี่ยไม่นานก็เสียศูนหรือว่าอาจจะเหนื่อยล้างานไม่มีคุณภาพ หรือแยกนั้นคือว่ากลายเป็นถูกกิเลสเล่นงานถูกอัตตาเล่นงานแทนที่จะทำเพื่อผู้อื่นก็กลับกลายเป็นการทำเพื่อตัวเองงานที่ทำเนี่ยงานภายนอกเนี่ยถ้าว่าเป็นงานที่มีมประโยชน์เนี่ย ยึงต้องอาศัยงานภายในที่ช่วยให้ด้านในใจเกิดความสงบเย็นมันจะเกื้อกูลกันทำให้ทำประโยชน์ได้ยั่งยืนแล้วก็ไม่ทำให้การทำประโยชน์กับพืชเนี่ยมันกลายเป็นการหาประโยชน์ใส่ตัวพอตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอย่างที่เราพบบ่อยๆนะคนที่ มีดวคติต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคมแต่สุดท้ายกลายเป็นคนที่หาประโยชน์เข้าตัวเพราะว่าจิตใจเนี่ยไม่มั่นคงพ่ายแพ้ต่อกิเลสและที่สำคัญก็คือว่าไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขภายในได้ก็ <c oughs> เลยต้องไปพึ่งพาวความสุขจากภายนอกความสุขจากเงินทองชื่อเสียงเกติยศ อำนาจไอ้พวกนี้มันก็ให้ความสุขกับคนเรานะแต่ว่าเป็นความสุขชั่วคราวแต่มันก็มีสเสน่ห์นะโดยพอกับคนที่ไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขภายในได้ในทางตรงข้ามถ้าคนเราก็ถึงความสุขภายในมันก็ไม่หยหาความสุขจากภายนอกความสุขจากทรัพย์สินเงินทองความสุขจากการเสพ ความสุขจากการมีครอบครองยศทรัพย์อำนาจแต่ถ้าไม่ถ้าไม่สามารถเข้าถึงความสุขภายในได้เนี่ยมันก็ตกเป็นทยของความตกเป็นทยของยศทรัพย์อำนาจได้ง่ายเพราะมันเป็นแหล่งความสุขอย่างเดียวที่รู้จักหรือเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะ เราจรึงควรเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้มาภาวนาได้มาเจริญสติได้มาเติมฐานใจให้อย่างลึกถ้าฐานใจอย่างตื่นนะมันก็คงคล้ายๆกับทูปยักษ์เนี่ยเมื่อตะกี้สิปีที่แล้วมันเคยมีทูปยักษ์สูงมากเลยเนะ คนสร้างีะต้องการสร้างให้เป็นทูบที่สูงที่สุดในโลกอยู่ฐานนครปฐมต้องสี่สิบเมตรกว็วันดีคืนดีเนี่ยทูบเนี่ยก็โดนพายุพัดพังลงมาเลยก็คือมีคนตายด้วยคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าทูบมันสูงไปจริงไม่ใช่เป็นเพราะทูบสูงไปหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าฐานของทูบเนี่ยมันตื้นตึกเนี่ยที่สูงกว่าสี่สิบเมตรมีเยอะแยะนะ ั้นสีสิเมตรเนี่ยของทูบยักษ์เนี่ยมันไม่ได้สูงไปหรอกแต่ที่มันเป็นปัญหาก็เพราะมันมีฐานที่ตื้นถ้าฐานมันลึกนะมันเจอพายุมก็ไม่โค่นไม่ล้มพังคือลงมางั้นถ้าเราวองเช่นนี้เนี่ยการทำงานภายในเพื่อทำให้ฐานใจนี้อย่างลึกเนี่ยเพื่อนำให้เกิดความสงบ หรือว่าความมั่นคงเข้มแข็งรวมทั้งความสุขด้วยเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะเราก็ควรจะเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือจิตใจของตัวเองได้รับสิ่งนี้ด้วยพ่อแม่ช่วยทำให้จิตใจของเรานี่มีความสุขสดชื่นนะแต่คนอยูไม่น้อยเี่ไม่ยอมเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับโอกาสนี้ก็เลย แม้ว่าจะเจตนาดีแต่ว่าสุดท้ายก็ทำงานจนเสียศูนย์แล้วก็คุณภาพชีวิตก็แย่งานที่ทำก็แย่ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันทีสร้างปัญหาให้กับผู้ค น, นการที่เรามาเจริญสติมาภาวนาที่นี่เนี่ยนะ อย่างที่บอกแล้วนะว่ามันก็ควรจะถือเป็นงานอย่างหนึ่งแต่เป็นไปเพื่อทาให้เกิดความสงบเย็นมั่นคงในจิตใจและไปช่วยเสริมให้งานภายนอกเนี่ยมันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงถ้าอาจารย์พุทธทาสบอกว่าชีวิตที่ดีเนี่ยคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะสงบเย็นนะเพราะว่า จิตใจเนี่ยนะได้รับการดูแลใจใส่จงกระทั่งฐานใจเนี่ยมันลึกเข้าถึงความจริงที่ลึกซึ้งอันนี้เรียกว่าเป็นพ่อรู้จักนะทำจิตส่วนประโยชน์เนี่ยก็หมายถึงการทำกิจหรือเป็นงานภายนอก แล้วชื่อคนราเนี่ยมันก็จะมีทั้งสองอย่างนะทั้งทำจิตแล้วก็ทำกิจหรือว่ามีทั้งงานภายในแลว้วก็งานภายนอกและจริงเนี่ยถ้าว่างานภายในเราทำได้ดีนะมันจะไม่ใช่เกื้อกูลต่องานภายนอกอย่างเดียวนะมันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราทั้งหมดเลยมันไม่ใช่เพียงแค่ช่วยทำให้งานที่เราทาเป็นประโยชน์แค่จริงแต่ถ้าเราไม่มีตรงนี้นะ กลายเป็นว่าแทนที่เราจะทำงานนะงานก็ทำเราแทนคนทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ทำงานแล้วนะแต่ว่างานมันทำทำคืออะไรกระทําให้ตัวเองเนี่ยเหนื่อยล้าหรือว่าชีวิตบิดเบีย้ยวผิดเพี้ยนแต่ถ้าเรามีคุณภาพจิตที่ดีนะไอ้งานมันทำเราได้ยากนะ มีแต่ว่าเราทำงานมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรามาที่นี่นะอ้าวก็ให้ถือว่าสิ่งที่เราทำนี่มันมีคุณค่าแต่ทั้งที่พูดว่าเนี่ยมันเป็นการทำงานอย่างหนึ่งนะแต่พอเราลงมือปฏิบัติเนี่ยไอ้สิ่งทัศนกติ หรือวิธีการที่เราใช้ในการทำงานภายนอกเนี่ยเราอาต้องวางลงก็ได้เวลาทำงานภายนอกเนี่ยเราต้องอาศัยความมุ่งมั่นบางทีต้องอาศัยการทำด้วยหน้าดาอย่างหน้าดำาเคร่งแล้วก็พยายามที่จะควบคุมปัจจัยต่างๆเพื่อให้งานออกมาดีพยายามควบคุมตัวแปรต่างๆ เพื่องามันออกมาตรงตามเป้าบางทีมี KPI มีปรามิเตอร์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ว่าพอเรามาทำงานภายในโดยเพราะการจริสติเนี่ยมันต้องใช้ท่าทีอีกแบบนึงเลยนะจะเรียกว่าคนละโหมดกันเลยก็ได้ โดยเพราะการเจริญสติที่นี่เนี่ยถ้าเราทำด้วยหน้าดำข่ำเคร่งเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรานะหลงทิศหลงทางมากขึ้นเวลาเรามาเจริญสติเนี่ยถ้าเราคิดจะควบคุมอะไรต่ออะไรอย่างที่เราทำในการทำงานเนี่ยบางทีกับไปไม่ถึงไหนนะ เช่นพยายามควบคุมจิตพยายามควบคุมความคิดเพราะว่าเราตั้งใจจะมาเพื่อสัมผัส ก, กับความสงบเพื่อพักใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องพยายามไม่ให้มีความคิดเกิดขึ้นพยายามควบคุมความคิดนะอย่างที่เราพยายามควบคุมตัวแปรต่างๆเวลาเราทำงานเนี่ย ไอ้ท่าที่แบบนี้เนี่ยมันกลับเป็นอุปสรรคนะต่อการทํางานภายในเราต้องยอมอนุญาตให้ความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องยากนะพราะเรามักจะมองว่าไอ้ความคิดและอารมณ์ต่างๆเช่นความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านพวกนี้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคขัดขวางการภาวนาทําให้ใจไม่สงบ แต่ที่นี่เน่เราเน้นเรื่องการเจริญสติเนเรื่องการสร้างความรู้สึกตัวมันไม่มี KPI มากมายมีพารามิเตอร์มากมายมันมีแต่แค่ตัวเดียวนะความรู้สึกตัวซึ่งอาจจดูเหมือนว่าเป็นเรื่องพื้นๆเรื่องเรื่องที่ไม่สลักสำคัญเลยแต่จริงมันสำคัญนะคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาอวยพอลูกหลานเนี่ย เรจะอวยพร ว, ว่าเนี่ยขอให้รู้เนื้อรู้ตัวนะลูกไม่ได้อวยพร อ, อะไรมากมายลึกลับซับซ้อนอะไรยขอให้รู้เนรู้ตัวเพราะคนโตคนแก่เนี่ยเขารู้ว่าเนี่ยถ้าเพียงแค่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยว่ามันช่วยอช่วยได้เยอะเลยนะช่วยทําให้ชีวิตเนี่ยเกิดความอเจริญ ง, งอกงามเบิกบานผ่องใสแค่ความรู้สึกตัวตัวเดียวนี่มัน มีคุณค่ามหาศาลเลยและการที่เราจะมีความสึกตัวได้เนี่ยหรือว่ากลับมาสู่ความสึกตัวเนี่ยมันก็มีเคล็ดลับนะคือว่าต้องยอมอนุญาตให้ความคิดและอารมณ์ต่างเกิดขึ้นอย่าไป ม, มองว่ามันเป็นอุปสรรคใหม่ๆหลายคนยอมไม่ยอมนะ จะพยายามบังคับควบคุมจิตเพื่อไม่ให้มีความคิดไม่ให้มีอารมณ์ต่างๆแต่การทำเช่นนั้นเนี่ยนะมันก็ยิ่งทำให้เกิดความเครียดหลายคนทำแล้วเครียดเพราะพยายามไปควบคุมความคิดพยายามไปบังคับจิตไม่ให้คิดพยายามผลักสาอารมณ์ต่างๆต้องยอมนะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันก็เหมือนกับ พระพุทธเจ้าเปลี่ยนมันก็ว่าไอ้จิตเนี่ยมันก็เหมือนกับบ้านนั่นนะหรือว่าเรือนพักคนเดินทางเนี่ยเรือนพักคนเดินทางเนี่ยมันคนจากทั่วสารทิศก็มาพักได้บางทีก็มีพระราชาบ า, บางทีก็มีเศรษฐีบางทีก็มีวันิพกมาพักไอ้จิตของเราก็เหมือนกันนะัมันก็มีอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆสารพัดเกิดขึ้นมาหรือเข้ามาในจิตของเราห้าไม่ได้ แต่ว่าเรารู้ทันมันได้นะรู้เมื่อมันมารู้เมื่อมันเกิดขึ้นและยิ่งรู้เนี่ยนะสติก็จะยิ่งพัฒนาความรู้สึกตัวก็จะยิ่งเกิดขึ้นหอนะว่าเีน่นั่นนั่นพูดจำอยู่เสมอนะอย่าไปห้ามคิดท่านถึงก็บอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะรู้ในที่นี้คือรู้สึกตัวรวมทั้งรู้ทันความคิดด้วย แต่ก่อนคิดร้อยไม่รู้เลยนะมันไหลไปตามความคิดหมดหรือมันหลงไปกับความคิดแต่พอเริ่มปฏิบัติแล้วก็ไม่ควบคุมความคิดเนี่ยมันคิดก็เริ่มจะรู้แล้วคิดร้อยก็รู้สิบทำไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยก็จะรู้ยี่สิบแล้วก็รู้สามสิบคือรู้ทันความคิดแล้วรู้ทันเพราะอะไรนะเพราะว่ามีความคิดเป็นแบบฝึกหัดเหมือนกับเป็นการบ้านนะ และเมื่อยิ่งรู้รู้ทางความคิดมันก็ยิ่งเกิดความรู้สึกตัวตามมาเพราะนั้นเนี่ยนะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่คนที่ขยันทำงานทำงา น, งานด้วยความมุ่งมั่นเนี่ยจะทำใจลำบากเพราะเขาจะพยายามมุ่งวัดมุ่งให้ได้ความสำเร็จความสาเร็จคือจิตที่สงบพอ มีพอหวังผลสำริดแบบนี้ก็จะพยายามควบคุมทุกตัวแปรเพื่อให้จิตสงบซึ่งรงไปถึงการควบคุมความคิดและสุดท้ายจิตก็ยิ่งเครียดยิ่งฟุง้งทำไปก็ยิ่งทุกข์นะและเนี่ยต้องยอมนะอนุ ญ, ญาตให้ทุกอารมณ์มันเกิดขึ้นได้แล้วก็แล้วมันก็จะเป็นตัวที่ค่อยๆฝึกจิตของเราให้มีสติให้มีความสึกตัวมากขึ้นอันนี้เป็น เป็นการบ้านอย่างแรกนะที่เรานะควรจะฝึกหรือทำให้ได้แล้วมันก็จะนำไปสู่การความก้าวหน้าในการปฏิบัตินะในลำดับต่อๆไปเ อ, อาเช็นนี้เพืเ่อทานี้นะเอกรารับ